สิขาบทที่3มว่าอันหนึ่งภิกษุใดแกล้งพากายมนุษย์จากชีวิตหรือสแสวงหาสตราอันจะนำชีวิตเสียให้แก่กายมนุษย์นั้นหรือพรรณนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายโดยคำว่าแน่นายผู้เป็นชายมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันชั่วนี้ท่านตายจะดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตใจมีเจต ด, ดำตริอย่างนี้พนานาคุณเห็งความตายก็ดีชักชวนเพื่ออันตายก็ดีโดยหลายในแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาดไม่ได้กายแห่งมนุษย์นั้นประสงค์เอาตั้งแต่จิตแรกเกิดปรากฏขึ้นในท้องแห่งมารดาตลอดมาจนถึงกายเป็นที่ตายในระหว่างนี้จัดว่า กายมนุษย์พรากเสียจากชีวิตนั้นถือตัดความเป็นให้ขาดทำความสืบต่อให้กำเริบด้วยประโยคอย่างใดอย่างหนึ่งมีในดังจะกล่าวต่อไปนี้ 1. ให้ประหารได้แก่ฟันด้วยสัตรามีดาบเป็นต้นแทงด้วยหอกเป็นต้นและตีด้วยไม้พลองหรือด้วยไม้สั้นเป็นต้น 2. สัต์ไปประหารได้แก่ยิงด้วยศอนหรือด้วยปืนเป็นต้นพุ่งด้วยหอกคว้างด้วยศิลา 3. วางไว้ทำร้ายได้แก่วางขวากฝังเหลาไว้ในหลุมปรางวางของหนักไว้ให้ตกทับวางยาตายและอื่นๆอีก 4. ี่ทำร้ายด้วยวิชาตัวอย่างในอธัธกถา เช่นภิษุไร้มนอาคมต่างๆใช้ผู้ใช้ผีเพื่อทำให้ผู้อื่นเจ็บตายตัวอย่างที่จะพึงเห็นในบัรนี้เช่นฆ่าด้วยกำลังไฟฟ้าซึ่งประกอบให้มีขึ้นด้วยอำนาจความรู้ทําทำร้ายด้วยฤทธิ์ตัวอย่างในอัธกถาเช่นภิกษุมีตาเป็นอาวุธตั้งกล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของพระยม และโกรธถลึงตาแลดูผู้อื่นด้วยหมายจะให้ตายตัวอย่างในบทนี้ยังหาไม่ได้ชัดแต่เพราะพิษงูก็เรียกว่าฤทธิ์นาคปล่อยสัตว์มีพิษเช่นงูให้กัดหรือปล่อยสัตว์ร้ายเช่นเสือให้กัดตลอดถึงเอาพิษของสัตว์ฉีดเข้าในเส้นโลหิตเพื่อให้ตายจัดเข้าได้ในบทนี้กระมังทั้งไม่ซ้ำกับบทก่นกอนๆด้วยแปลกจากบท วางไว้ทำร้ายเพราะไม่ใช่ของประกอบขึ้นด้วยอำนาจความรู้ใช้ฤทธิ์คือกำลังอันมีอยู่โดยธรรมดาของสัตว์ไม่ใช่แต่เพียงจะทำเองใช้ผู้อื่นให้ทำประโยคเหล่านี้ก็ชื่อว่าพากชีวิตมนุษย์เหมือนกันเหตุนั้นอาบัตในสิกขาบทนี้จึงเป็นสานติกะต้องเพราะใช้เขาด้วยอธิบายในบทนี้ เทียบเคียงกับในอันกล่าวแล้วในอัทินนาธานนั้นเถิดใช่แต่เท่านั้นภิกษุมีอำนาจเอาสตราวุธหรือของอย่างอื่นส่งให้หรือวางไว้แก่มนุษย์ที่ตนปรารถนาจะให้ตายและบังคับให้เขาฆ่าตนเองเช่นมีในเรื่องจีนก็ดีหรือเห็นสหายมีทุกข์ร้อนเหลือแก่หรือเจ็บหนัก สเสวเวทนากล้าแข็งมีใจสงสารปรารถนาจะให้พ้นทุกข์พ้นร้อนและช่วยหาสัตราเป็นต้นมาให้หรือไม่ทําเช่นนี้เป็นแต่พูดพรรณนาคุณเห็นความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายคนนั้นหาสัตราเป็นต้นเราเองดังนี้ก็เหมือนกันพรรณนาหรือชักชวนนั้นใช่วาจาหรือทําด้วยกายเช่นเขียนหนังสือ ก็เช่นกันอันหนึ่งคำว่าสแสวงหาสัตรานั้นพึงเข้าใจว่าแสดงไว้เป็นตัวอย่างสแสวงหาสิ่งอื่นอันเป็นเครื่องผานชีวิตก็เหมือนกันและพึงเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสแสวงหาสัตราเป็นต้นก็ดีเป็นแต่เพียงชักชวนก็ดีเขาไม่ทำลายชีวิตของเขาเช่นนี้อาบัตไม่ถึงที่สุดดุดเดียวกับทาเอง แต่เขาไม่ตายมนุษย์เป็นวัตถุแห่งปาราชิกสัตว์ที่เรียกว่าอามนุษย์ต่างโดยเป็นยักษ์เป็นเปรตและสัตว์ธิระฉานที่ว่ามีฤทธิ์จำแรงกายเป็นมนุษย์ได้เป็นวัตถุแห่งทุลใจสัตว์ธิระฉานทั่วไปตามทางนี้น่าจะเป็นวัตถุแห่งทุกข์กฎดแต่มีสิกขาบทแผนหนึ่ง จึงเป็นวัตถุแห่งปาจิตีลักลั่นอยู่ในลำดับนี้ถ้าถือเอามาติของข้าพเจ้าก็จะเห็นว่าหาลักลั่นไม่พิกษุพยายามจะฆ่ามนุษย์ทำสาเร็จต้องปาราชิกถ้าทำไม่สาเร็จเป็นแต่เพียงทำให้เจ็บตัวต้องถดถใจทำไม่ถึงนั้นต้องทุกข์กอดพิกษุพยายามจะฆ่าตัวเองต้องทุกข์กอด ภิกษุพยายามจะฆ่าสัตว์อื่นต้องอาบัตตามวัตถุอาบัตในปุพพประโยคเป็นทุกกฎอย่างเดียวสิขาบทนี้เป็นสจิตกะเพราะเหตุนั้นไม่เป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ไม่แกลง้งหาได้มีความประสงค์จะให้ตายไม่เช่นทำงานอยู่บนที่สูงของหนักพลัดจากมือตกถูกคนข้างล่างตาย หรือพยาบาลคนไข้หนักและหยอดยามากเกินไปคนไข้กลืนไม่ทันสำลักตายและภิกษุผู้เมรู้เช่นไม่รู้ว่ามีคนลอบเอายาพิษมาปนไว้ในอาหารและให้อาหารนั้นแก่ผู้อื่นเขากินตายคนอื่นตายด้วยเหตุเช่นนี้แม้เกิดแต่ประโยคของภิกษุไม่เป็นอาบัตสิขามบทที่สว่า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 แต่ในบทภาชินีคัมภีวิพังแก้ความว่าถูกซักถามก็ตามไม่ถูกซักถามก็ตามก็เป็นต้องอาบัตแล้วมุ่งความหมดจดคือผลโทษจะพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเน่ท่านข้าพเจ้าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่ๆเป็นเทศเปล่าๆเว้นไว้แต่สําคัญว่าได้บรรลุ แม้ภิกษุนี้ก็ปาราชิกหาสังวาไมิได้ในคำพีวิพังแจกบทอุตตริมนุสธรรมไว้เป็นอันมากจะแสดงทั้งหมดนั้นเกรงจะฟั่นเฟือจะกล่าวแต่ชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไรนักนอกจากเป็นหัวข้อสำหรับผู้ได้เคยสนใจในที่นี้จะกล่าวแต่โดยเขาเงื่อนเท่านั้นอุตตริมนุสธรรมแปลว่า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 ความงุนง่านด้วยกำลังโทสะอย่างสูงถึงให้จองล้างจองผานผู้อื่นเรียกชื่อตามอาการถึงที่สุดว่าพยาบาทหนึ่งความท้อแท้หรือความคลานและความง่วงงุนรวมเรียกว่าถีนมิทะเพราะเป็นเหตุหดหู่แห่งจิตเหมือนกันนี้จัดเป็นนิวร อ, อีกหนึ่งความฟุง้งซ่านหรือคิดพลาด และความจืดจางเร็วรวมเรียกว่าอุทธะกุดกุจะเพราะเป็นเหตุกำเริบไม่อยู่ที่แห่งจิตเหมือนกันนี้จัดเป็นนิวรนอีกหนึ่งความลังเลไม่แน่ลงได้เรียกวิจิกิจฉาหนึ่งการทำจิตให้ปลอดจากนิวรนเหล่านี้รักษาให้แน่แน่ชื่อว่าสมาธิสมาธินั้นที่เป็นอย่างต่า ไม่แน่แน่วจริงๆทำได้เป็นอย่างดีก็เป็นแต่เฉียดเฉียดใกล้ๆเรียกอุปจาระสมาธิที่เป็นอย่างสูงเป็นสมาธิอย่างแน่นแฟนแน่แน่วลงไปจริงๆเรียกอัปปนาสมาธิสมาธิอย่างต่ำมีได้แก่สามัญชนท่านไม่จัดว่าเป็นอุตริมนุสธรรมสมาธิอย่างสูง ฉพาะมีแก่บางคนที่เป็นผู้วิเศษท่านจึงถือว่าเป็นอุตตริมนุสธรรมเรียกว่าฌานโดยมากกว่าอย่างอื่นฌานนั้นในคัมภีรวิพังแจกเป็นสตามที่นิยมมากในพระพุทธศาสนาเรียกว่ารูปฌานเพราะมีรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ฌานสนั้นเรียกชื่อตามลำดับปุรณาสังขยาว่าที่หนึ่ง ที่สองที่สามที่สี่หรือใช้ศัพท์เช่นนั้นในภาษามคตว่าปัมะทุติยะตติยะจตุถะท่านกำหนดด้วยองค์สมบัติดังนี้ 1. ปฐมฌานมีองค์หคือยังมีตรึกซึ่งเรียกว่าวิตกและยังมีตรองซึ่งเรียกว่าวิจาร์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 ละมิตกวิจารเสียได้คงอยู่แต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิเป็นเอกขตาสามตติยะฌานมีองค์สองละปิติได้เสียคงอยู่แต่สุขกับเอกคตา 4. จตุทะฌานมีองค์สองเหมือนกันละสุขเสียได้กลายเป็นอุเบกขาคือเฉยเฉยกับเอกคตา ชาญสี่นี้จะเป็นอุตริมนุสธรรมประเภทหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจิตอันบริสุทธิ์จากกิเลสคืออารมณ์เครื่องเศร้าหมองใจย่อมเป็นโมลสาคัญแห่งความประพฤติบริสุทธิ์ความสุขใจความเมตตาการุณาอันเป็นเหตุขวนขวายเพื่อประโยชน์ผู้อื่นทั่วไปท่านผู้มีใจบริสุทธิ์จึงเป็นที่นิยมนับถือของคนอื่นจะชักอุทาหรณ์พอเห็นง่าย คนใจดีใจเย็นย่อมเป็นที่รักนับถือของคนทั้งหลายมิใช่หรือยิ่งมีใจเผื่อแผ่ด้วยความรักความนับถือก็ยิ่งมากขึ้นความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นทำได้เป็นพักๆ ก, ก็มีเช่นดับความโกรธได้แล้วภายหลังความโกรธเกิดขึ้นอีกเพราะเหตุอันมากระทบกระทั่งทำได้อย่างยั่งยืนก็มีคือละกิเลสอย่างได้ขาดแล้ว กิเลสอย่างนั้นก็ขาดไปทีเดียวไม่เกิดขึ้นอีกความบริสุทธิ์ยั่งยืนนี้ท่านกล่าวยกย่องเป็นอย่างสูงว่าโล ก, กุตรธรรมแปลว่าคุณล่วงโลกขึ้นไปคือพ้นพิเศษของสัตว์โลกโลกุตรธรรมแจกเป็นมรรคและผลมีประเภทอย่างละสี่กับพระนิพพานหนึ่งรวมเป็น9ผู้ปรารถนาจะเข้าใจ พึงรู้จักสังโยชนิสิบประการก่อนกิเลสอันผูกใจสัตว์อยู่ชื่อว่าสังโยชน์จำแนกออกเป็นสิบประการคือ 1. สักกายธิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตน 3. สีลพัตตปรามาธ ความเชื่อถือศักดิ์สิทธ์ด้วยเข้าใจว่าจะมีได้ด้วยศีลหรือพราอย่างนั้นอย่างนี้ล่วงธรรมดาวิสัย 4. กามราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกรรมเรียกแต่เพียงว่าราคะก็มี 5. ปฏิคะคือความกระทบกระทั่งเห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสะเรียกโทสะ ตรงทีเดียวก็มีห้าอย่างนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำคืออย่างหยาบเรียกโอรัมพาคยะหกรูปราคะความติดใจอยู่ในรู ป, ปธรรมเช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในพัสดุบางสิ่งแม้ในวัตถุอันเป็นอารมณ์แห่งรูปฌานเจน็ดอรูปราคะความติดใจในอรูปเช่น พอใจในสุขเวทนา 8. มานะความสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทจจะคือความคิดพลาดเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. อวิชชาคือความหลงอันเป็นเหตุไม่รู้จริงอีกห้านี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูงคืออย่างละเอียดเรียกอุดถรมภาคียะ ยานคือความรู้เป็นเหตุและสังโยชน์เหล่านี้เด็ดขาดเรียกว่ามักมักนั้นจำแนกเป็นสี้วยอำนาจกำจัดสังโยชน์แต่เพียงเอกเทศบ้างสิ้นเชิงบ้างพึงรู้ดังนี้ 1. โสดาปฏิมักเป็นเหตุละสังโยชน์ได้สคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตับปรามาส 2. สกธาคามิมัคเป็นเหตุละสังโยชน์สข้างต้นนั้นกับทำราคะโทสะโมหะให้เบาลง 3. อนาคามิมัคเป็นเหตุละโอรัมพาคียสังโยชน์ได้ทั้ง5้าอรหัตมัคเป็นเหตุละสังโยชน์ได้ทั้ง10บตามในที่กล่าวมานี้สกธาคามิมัคไม่ชัดเหมือนมัคอื่น แฝงอยู่ในระหว่างโสดาปฏิมักกับอนาคามิมักและคำว่าทำราคาโทสะให้เบาลงนั้นก็ไม่ชัดว่าเพียงไรสันนิฐานได้แต่เพียงว่าราคาโทสะที่แรงกล้าเป็นเหตุไปอบายเช่นกาเมสุมิฉาจารและพยาบาทสงบมาแต่ครั้งโสดาปฏิมักแล้วแปลว่าท่านผู้เป็นโสดาบัน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 อันสกัทาคามิมักทาให้เบาลงนั้นแปลว่ายังมีแต่ไม่ใช่อย่างแรงร้ายจะอธิบายว่ามีห่างๆหรือมีอย่างสุขุมก็ไม่ปรากฏว่าเพียงไรอีกและโมหะนั้นจะขาดเดดเพราะอระหัตมักสกัทาคามิมักทำให้เบาลงได้เพียงไรไม่ชัดเหมือนกันจึงยังเป็นมักที่หมวัว ธรรมารมันเกิดสืบเนื่องมาแต่มักเศรษฐกิไรายที่มรคได้ทำไว้นั้นเรียกว่าผลผลนั้นมีชื่อเป็นสี่ตามมรคจะนำข้ออุปมามาเปรียบมรค ก, กับผลพอเลงเห็นสังโยชน์เหมือนโรคในกายมรคเหมือนการรักษาโรคให้หายผลเหมือนความสุขสบายอันเกิดแต่ความสิ้นโรคอีกอุปมาหนึ่ง สังโยชน์เหมือนโจรในป่ามักเหมือนกิริยาปรับโจรผลเหมือนความสงบราบคาบเกิดมีเพราะหมดโจรความดับขันคือรูปกับจิตเจตสิกนี้อันเหลืออยู่ภายหลังแต่ดับกิเลสได้สิ้นเชิงด้วยอรหัตมรักไม่มีอะไรเป็นเชื้อเหลืออยู่เรียกว่านิพานอธิบายพอเลิงเห็น พระอริยเจ้าผู้ได้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วเรียกว่าพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นั้นดับจิตแล้วท่านกล่าวว่าไม่ต้องไปเกิดในภพอีกเหมือนสามัญยสัตว์เรียกว่านิพานชานและโลกุตรธรรมสองประเภทนี้เป็นหลังอยู่ในอุตริมนุสธรรมที่ท่านแจกในทรรมปีวิพังชื่ออื่นย่อมเป็นไวโพ์ของธรรมสองประเภทนี้แทบทั้งนั้น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 เป็นอาบัติถุลใจภิกษุพูดอวดอุตริมนุสธรรมโดยอ้อมค้อมคืออ้างลักษณะแห่งรู ป, ประพันธ์ก็ดีอ้างบริขารคือบาดจีวรก็ดีอ้างที่อยู่ที่อาศัยก็ดีอ้างอื่นๆอีกก็ดีกล่าวว่าภิกษุมีรูปร่างผิดพันธุ์เช่นนั้นใช้บาดจีวรเช่นนั้นอยู่ในตำบลชื่อนั้น สุดแต่จะนำความเข้าใจของเขามาในตนได้เพียงไรเมื่อเขาเข้าใจเป็นนาบัติทุลใจเมื่อเขาไม่เข้าใจเป็นนาบัติทุกกดอาบั ต, กกบตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตรกะประเหตุนั้นไม่เป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้พูดด้วยสําคัญว่าได้บรรลุและภิกษุผู้ไม่มีประสงค์ในอันจะอวดอ้างเช่น อ่านสิขากล่าวคำอวดอ้างนั้นว่าอย่างไรเป็นตัวอย่างปาราชิกสิกขาบท4นี้ภิกษุล่วงแต่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมไม่ได้เพื่อจะอยู่กับพิกษุทั้งหลายอีกเหมือนในการที่ยังไม่ล่วงเป็นปาราชิกหาสัง่งวาดไม่ได้แม้จะอุปสมบทอีกก็ไม่เป็นพิกษุโดยชอบด้วยพระวินัยตลอดชาติอาบัตในสิขาบท4นี้ จึงเป็นอเตกิจฉาแก้ไม่ได้เป็นอนามวเศษหาส่วนเหลือไม่ได้เป็นมูลเศษคือตัดรากเงา่าภิกษุจะล่วงไม่ได้เลย